ทำบุญละลายบาปจะได้หรือไม่มีปัญหาที่คนทั่วไปสนใจมากอยู่ข้อหนึ่งคือการทำบุญล้างบาปหรือทำบุญละลายบาปจะได้หรือไม่การทำบุญละลายบาปนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้คือใช้ความดีละลายความชั่วให้เจือจางเช่นความชั่วเกิดขึ้นในใจเมื่อความดีเกิดขึ้นความชั่วย่อมถอยไป ถ้าความดีเกิดขึ้น บ, บ่อยๆไม่ให้โอกาสแก่ความชั่วความชั่วก็เกิดขึ้นไม่ได้เรียกว่าเอาความดีมาไล่ความชั่วหรือละลายความชั่วอีกอย่างหนึ่งความชั่วที่บุคคลทำลงไปแล้วซึ่งจะต้องมีผลในอากาศต่อไปถ้าผู้นั้นเร่งทำความดีให้มากขึ้นจนท่วมท้นความชั่วผลของกรรมชั่วนั้นก็จะค่อยๆจางลง จนไม่มีอนุภาพในการทําอันตรายให้ทุกขเปรียบเหมือนกรดหรือแอซิดซึ่งมีคุณสมบัติทําลายชีวิตได้แต่ถ้าเติมด่างหรืออัลคาไลลงไปเรื่อยๆกรดนั้นก็เจือจางลงหมดคุณสมบัติในการทําลายให้โทษเปรียบอีกอย่างหนึ่งเหมือนเกลือกับน้ําสมมติว่าเอาเกลือกามมือหนึ่งใส่ลงไปในน้ําแก้วหนึ่งน้ำนั้นจะเค็มมากเพราะน้าน้อย แต่ถ้าเราเอาเกลือจำนวนนั้นใส่ลงไปในทางน้ำใหญ่ๆความเค็มจะไม่ปรากฏแม้เกลือจะยังมีอยู่เท่าเดิมมันกลายเป็นมีเหมือนไม่มีที่ทางพระท่านเรียกอับโภหาิกแปลว่ามีเหมือนไม่มีเรียกไม่ได้ว่ามีหรือไม่มีเหมือนน้ำในก้อนดินแห้งหรือในเนื้อไม้เรารู้ได้ว่ามีความชื้นอันเป็นคุณสมบัติของน้า เมื่อเราจุดไฟเผามีควันขึ้นมาเอาน้ําเกลือในแก้วซึ่งเค็มมากนั้นเทลงไปในถังใหญ่ๆแล้วเติมน้ําลงไปเรื่อยๆโดยไม่เติมเกลือในที่สุดน้ํานั้นจะไม่ปรากฏความเค็มเลยเพราะจํานวนน้ําเหนือจํานวนเกลือมากนักข้อนี้ฉันใดการทําความดีละลายความชั่วหรือละลายผลแห่งกรรมชั่วก็เป็นฉันนั้นในที่นี้ความชั่วเปรียบเหมือนเกลือ ความดีเปรียบเหมือนน้ำในทางกลับกันกรมดีเล็กน้อยอาจถูกรรมชั่วละลายได้เช่นกันเกี่ยวกับเรื่องนี้มีพระพุทธภาสิทธ์อ้างอิงดังนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนทำบาปกรรมเพียงเล็กน้อยบาปกรรมนั้นนำเข้าไปสู่นรกบางคนทำบาปเพียงเล็กน้อยเช่นนั้นเหมือนกันแต่บาปนั้นให้ผลเพียงในปัจจุบันชาตินี้เท่านั้น หรือทิฏฐาธรรมเวทนีอย่างไม่ปรากฏผลอีกต่อไปบุคคลเช่นไรทำบาปเพียงเล็กน้อยแล้วไปนรกคือบุคคลผู้ไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมจิตไม่ได้อบรมปัญญามีคุณธรรมน้อยใจต่ำบุคคลเช่นนี้แหละทำบาปเพียงเล็กน้อยแล้วไปนรกบุคคลเช่นไรทำบาปเพียงเล็กน้อยแต่บาปนั้นให้ผลอันแสบเผ็ด เพียงในชาติปัจจุบันแล้วไม่ให้ผลอีกต่อไปคือบุคคลผู้ได้อบรมกายแล้วอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญามีคุณธรรมมากมีใจใหญ่อยู่ได้คุณมีเมตตาเป็นต้นอันหาประมาณมิได้เปรียบเหมือนบุคคลใส่ก้อนเกลือลงไปในจอกน้ำเล็กๆน้ำนั้นย่อมเข็มเพราะน้ำน้อยแต่ถ้าใส่ก้อนเกลือนั้นลงไปในแม่น้าคงคา น้ำในแม่น้ำคงคาจะไม่เค็มเพราะก้อนเกลือนั่นเลยเพราะน้ำมีมากฉันใดภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนทำบาปเล็กน้อยบาปนั้นนำเข้าไปสู่นรกเพราะเขามีคุณน้อยบางคนทำบาปเล็กน้อยบาปนั้นให้ผลเพียงในปัจจุบันไม่ให้ผลในชาติต่อไปเพราะเขามีคุณมากฉันนั้นคนที่มีคุณธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเพียงเล็กน้อย เหมือนน้ำในถ้วยเล็กๆเมื่อทำบาปบาปย่อมให้ผลมากส่วนคนมีคุณมากเหมือนน้ำในแม่น้ำเมื่อทำบาปบาปให้ผลเพียงเล็กน้อยหรืออาจไม่ให้ผลเลยก็ได้คุณธรรมหรือความดีจึงมีอนุภาพทำลายบาปล้างบาปไปในตัวบุคคลยิ่งมีคุณธรรมสูงมากขึ้นเพียงใดโอกาสที่จะล้างบาปหรือละลายบาปก็มีมากขึ้นเพียงนั้น เพราะคุณความดีหรือความบริสุทธิ์ของใจนั้นมีคุณสมบัติมีอนุภาพในการทำลายบาปดังพระพุทธภาษิตว่าหม้อที่ความย่อมคายน้าออกไม่ทำให้น้าไหลเข้าไปข้างในฉันใดผู้อบรมแล้วทำให้มากแล้วซึ่งอรยิยมรกมีองค์แปดก็ย่อมคายบาปคายอากุศลธรรมออกไม่ให้บาปอากุศลธรรมเข้าไปข้างในฉันนั้น ผู้มีกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดไม่มีอาสะวะคือกิเลสที่หมักหมมนักปราชดเรียกผู้สะอาดสมบูรณ์ด้วยความสะอาดเช่นนั้นว่าเป็นผู้ล้างบาปได้ด้วยประการดังกล่าวมานี้แสดงว่าการทำความดีละลายความชั่วในใจและการทำความดีละลายผลแห่งกรรมชั่วที่ทำลงไปแล้วย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ เป็นการเปิดโอกาสให้คนผู้เคยผิดพลาดได้กลับตัวในเรื่องชีวิตธรรมดาสมมติว่ามีใครคนหนึ่งเคยทำความเดือดร้อนเจ็บช้ำใจให้แกเราต่อมาเขารู้สึกตัวรีบทำความดีต่อเราและทำเป็นการใหญ่เราเห็นใจเขากลับรักเขาให้อภัยในความผิดพลาดของเขาจริงอยู่ สิ่งที่เขาทำลงไปแล้วนั้นก็เป็นอันทำแล้วทาคืนไม่ได้แต่ความดีใหม่ที่เขาทำลงไปเป็นอันมากนั้นย่อมมีผลลบล้างความชั่วได้นอกจากนั้นยังมีกาไรเสียอีกอีกอุปมาหนึ่งเหมือนคนเคยเป็นหนี้เมื่อได้ใช้หนี้แล้วใช้หมดแล้วยังมีเงินเหลือให้ผู้ที่เขาเคยเป็นหนี้อีกมากมายอย่างนี้เจ้าหนี้ย่อมจะพอใจเป็นอันมาก เขาได we in ้ชื่อว่าเคยเป็นหนี้เท่านั้นหนี้สินหาได้ติดตัวเขาอยู่จนบัดนี้ไม่การทำความชั่วเหมือนการก่อหนี้ส่วนการทำดีเหมือนการปลดเปลื้องหนี้และการให้หนี้การทำความดีจึงดีกว่าการทำชั่วอีกตอนหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงปรารพระองค์คุลิมานแล้วตรัสว่าบาปกรรมที่บุคคลทำแล้วย่อมละเสดได้ด้วยกุศลกรรม บุคคลเช่นนั้นย่อมยังโลกให้สว่างเหมือนดวงจานที่พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นนี้แสดงว่าบุคคลสามารถละลายหรือล้างบาปกรรมด้วยกุศลกรรมได้ความจริงเรื่องนี้ทำให้ผู้ที่เคยทำชั่วมีกําลังใจในการทำความดีในการกลับตัวไม่ถลำลึกลงไปในความชั่วคนที่เคยทำความชั่วมา ถ้าเขารู้สึกตัวแล้วและพยายามทำความดีอาจทำความดีได้มากกว่าและเป็นคนดีได้มากกว่าผู้ที่ไม่เคยทำชั่วมาสีอีกการทำผิดเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์แต่ถ้าคนพบความผิดแล้วแก้ไขและตั้งใจว่าจะไม่ทำอีกเป็นซ้ำสองก็น่ายกย่องนับถือยิ่งขึ้นรวมความว่าตามหลักพระพุทธศาสนานั้นบาบย่อมล้างได้ด้วยบุญ กรรมชั่วล้างได้หรือละลายได้ด้วยกรรมดีแต่ต้องใช้เวลานานกุศลกรรมที่แรงแรงเช่นอรหัตตมักอรหัตตผลสามารถลบล้างความชั่วในใจได้หมดและมีอนุภาพห้ามผลแห่งกรรมชั่วเก่าๆที่เคยทำมาแล้วได้หมดสิน้นจะให้ผลอยู่บ้างก็เฉพาะเวลาที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น พอท่านนิพพานแล้วผลกรรมต่างๆก็เป็นโหสวศกรรมไปหมดสิน้นหกก่อนให้ผลบุญบาปอยู่ที่ใดอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือบุญหรือบาปที่บุคคลทาแล้วเมื่อยังไม่ให้ผลมันไปอยู่ที่ใดตอบว่ามันติดตามผู้ทาอยู่เหมือนเงาตามตัวแต่มองไม่เห็นแต่วางทีเมื่อกรรมจะให้ผล กรรมนั้นมาปรากฏในความฝันก่อนก็มีที่ท่านเรียกว่ากรรมมิมิตเป็นหนึ่งในสาเหตุแห่งความฝันสี่ประการสาเหตุแห่งความฝันสี่ประการคือหนึ่งกรรมมิมิตกรรมดีหรือชั่วในอดีตจะมาให้ผลสองจิตนิวรหรือจิตอาวรจิตไปผูกพันอยู่กับสิ่งใดมากๆก็อาจฝันถึงสิ่งนั้นได้สามเทพสังหร เทวดานำข่าวมาบอกอาจเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายก็ได้ 4. ทธาตุกเริบร่างกายไม่ปกติอาจทำให้ฝันไปได้แปลกๆคนที่จะตายด้วยอุปัทวภัยเหตุมักฝันอะไรบางอย่างที่ทำให้เจ้าตัวไม่สบายใจหรือมีความสังหรณ์ใจแปลกๆนั่นแสดงถึงอิทธิพลแห่งกรรมซึ่งเตือนบุคคลผู้นั้นล่วงหน้าก่อนผู้มีจิตบริสุทธิ์บางคน สามารถรู้วันตายของตนล่วงหน้าเป็นเวลาหลายๆวันหลายๆเดือนถ้าพระพุทธเจ้าเองก็ทรงกำหนดวันปรินิพานของพระองค์ล่วงหน้าไว้สามเดือนอันหนึ่งถ้าเราพิจารณาถึงธรรมชาติบางอย่างเช่นต้นไม้มีผลอาธิมะม่วงเมื่อมันยังไม่ออกผลผลนั้นไปอยู่ที่ใดเมื่อมันออกผลคราวหนึ่งแล้วปีหน้ามันจะต้องออกอีก ผลซึ่งจะออกในปีหน้านั้นไปรออยู่ที่ใดเรื่องต้นมะม่วงกับผลมะม่วงฉันใดเรื่องกรรมกับผู้ทำกรรมก็ฉันนั้นกรรมจะให้ผลก็ต่อเมื่อถึงคราวถึงสมัยเมื่อมันสุกงอมเต็มที่เท่านั้นกรรมดีหรือชั่วไม่ได้ให้ผลครั้งเดียวพ้นไปแต่จะส่งผลอยู่เสมอเสมอจนกว่าจะหมดแรงของมัน เหมือนมะม่วงให้ผลทุกปีจนกว่าต้นมันจะแก่ล้มตายไปในที่สุดอีกอย่างหนึ่งคนที่ทํากรรมลงไปแล้ววิบากแห่งกรรมสั่งสมอยู่ในจิตใจของตนเมื่อสั่งสมมากเข้าถึงเวลาที่วิบากกรรมจะให้ผลเสครั้งหนึ่งก่อนสมมติว่าเป็นกรรมชั่ววิบากของกรรมชั่วที่มีอยู่ในสันดางจะเป็นสิ่งบันดาลโดยจูงใจให้บุคคล น, นั้นพูดคิด หรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันจะนำไปสู่ผลร้ายนั้นๆถ้าเป็นกรรมดีก็มีผลตรงกันข้ามคือวิบากของกุศลกรรมอันมีอยู่ในสันดานจะเป็นสิ่งบันดาลโดยจูงใจให้ผู้นั้นพูดคิดหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันจะนำไปสู่ผลดีนั้นๆวมิบากแห่งกรรมจึงเป็นสิ่งมองไม่เห็นตัวที่น่ากลัวที่สุดบางทีวิบากแห่งกรรมส่งความตายมาถึงบุคคลหนึ่ง มาคุมไปจากในบ้านโดยที่ตัวเขาเองก็มองไม่เห็นพี่น้องลูกเมียก็ไม่เห็นแต่ทำให้เขารู้สึกร้อนใจอยู่ในบ้านไม่ได้ต้องออกไปนอกบ้านทั้งทั้งที่ไม่มีธุระจำเป็นแต่ประการใดอีกสิบนาทีต่อมาปรากฏว่าถูกรถชนตายซะแล้วหรือได้รับอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งอันสมควรแก่กรรม 7. การหยุดให้ผลของกรรม กรรมจะหยุดให้ผลด้วยเหตุ3ามประการคือ 1. หมดแรงคือให้ผลจนสมควรแก่เหตุแล้วเหมือนคนได้รับโทษจำคุกสองปีเมื่อถึงกำหนดแล้วเขาย่อมพ้นจากโทษนั้นนอกจากในระหว่างสองปีที่ถูกจองจำอยู่เขาจะทำความผิดซ้ำเขาอีกถ้าในระหว่างถูกจองจำอยู่เขาทำความดีมากอาจได้ลดโทษลงเรื่อย การให้ผลของกรรมก็ทำนองเดียวกันโดยปกติธรรมดามันจะให้ผลจนหมดแรงนอกจากเวลาที่กำลังให้ผลอยู่นั้นบุคคลผู้นั้นทำชั่วเพิ่มขึ้นมันก็จะให้ผลรุนแรงมากขึ้นถ้าเขาทำความดีมากขึ้นผลชั่วก็จะเพ่าลงในขณะที่กรรมดีกำลังให้ผลถ้าเขาทำดีเพิ่มขึ้นผลดีก็จะมีกาลังมากขึ้น ถ้าเขาทำกรรมชั่วในขนาดนั้นผลของกรรมดีก็จะเพ่าลง 2. งกรรมจะหยุดให้ผลเมื่อมีกรรมอื่นเข้ามาแทรกแซงเป็นครั้งคราวคือกรรมดีจะหยุดให้ผลชั่วคราวเมื่อบุคคลทำกรรมชั่วแรงๆเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมชั่วอันมีกำลังเชี่ยวกรากนั้นให้ผลก่อนถ้าขณะที่กรรมชั่วกำลังให้ผลอยู่มันจะหยุดให้ผลชั่วคราว เมื่อบุคคลผู้นั้นทำกรรมดีแรงๆเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมดีให้ผลก่อนนี่หมายเฉพาะที่จำเป็นและเร่งด่วนเท่านั้นโดยปกติเมื่อกรรมอย่างหนึ่งให้ผลอยู่กรรมอื่นๆก็จะรอคอยเปรียบเหมือนเมื่อพร่อราชามีพระราชภารกิจบางอย่างอยู่หากมีราชกิจอย่างใดอย่างหนึ่งอันไม่รีบด่วนนัก ราชบุรุษหรืออำมาตมนตรีย่อมพักราชกิจนั้นไว้ก่อนจะนำความกราบบังคมทูลต่อเมื่อราชกิจที่ทรงอยู่เช่นทรงต้อนรับแขกเมืองอยู่เสร็จไปแล้วถ้าหากเป็นราชกิจรีบด่วนจริงๆเป็นเรื่องสําคัญที่สุดก็สามารถนําความกราบบังคมทูลได้ทันทีการรับสั่งด้วยแขกเมืองก็ต้องหยุดไว้ก่อนด้วยเหตุนี้ จึงเป็นการยากที่จะเข้าใจหรือเห็นกรรมและผลของกรรมโดยตลอดในช่วงชีวิตเดียวฉะนั้นเรื่องกรรมและสังสารวัตจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เข้าใจเรื่องกรรมโดยตลอดต้องพูดการเรื่องสังสารวัตรเมื่อมีสังสารวัตรคือการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องสาวไปหากรรมดีกรรมชั่วในอดีตจึงจะสมบูรณ์ 3. บุคคลผู้ทำกรรมได้สำเร็จเป็นพระอระหันตัดวัตตะคือการเวียนไหยตายเกิดจะได้มีชีวิตอยู่เป็นชาติสุดท้ายไม่เกิดในภพใหม่อีกกรรมย่อมหมดโอกาสให้ผลอีกต่อไปวิญญาณของท่านผู้นั้นบริสุทธิ์หมดเชื้อเหมือนเมล็ดพืชที่สิ้นยางเหนียวแล้วปลูกไม่ขึ้นอีกต่อไปกรรมจะมีโอกาสให้ผลอยู่บ้างก็เฉพาะเวลาที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น เช่นกรรมของพระมหาโมคคลานะกรรมของพระองคุลิมานเป็นอาทิเมื่อท่านนิพพานแล้วกรรมต่างๆทั้งดีและชั่วไม่ว่ารุนแรงเพียงใดก็หมดโอกาสให้ผลเปรียบเหมือนบุคคลวิ่งหนีสุนัขสามารถว่ายน้ำข้ามไปฝั่งโน้นได้แล้วเหลือวิสัยของสุนัขที่จะไล่าตามไปได้เมื่อบุคคลผู้นั้นไม่กลับมาสู่ฝั่งนี้อีก สุนักซึ่งเฝ้าค อ, อยอยู่ก็จะตายไปเองอันหนึง่งความไม่ควรแกการเกิดอีกของบุคคลที่มีคุณธรรมสูงสุดเพราะได้พัฒนาจิตอย่างดีที่สุดแล้วนั้นเปรียบเหมือนเมล็ดพืชซึ่งได้พัฒนาตัวเองอย่างดีที่สุดแล้วจนเมล็ดรีบเนื้อมากเมล็ดพืชเช่นนั้นนาไปปลูกไปขึ้นอีกไม่ว่าได้ดินได้น้าดีเพียงใด เป็นการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดของเมล็ดพืชเช่นนั้น